มีใครแสดงทัศนะอีกหรือเปล่าก็ก็มุมมุมที่โยมได้กล่าวมาอันนั้นเป็นการกล่าวแบบยอ่อนก็ก็มุม ล, ลักษณะนั้นเลยว่าถ้ากรรมฐาน38ทั้งหมดเป้าหมายก็คือราณิวรนให้สังเกตดูนะตรงนี้จะไปในปฏิสัมพิธามากมาเชื่อมโยมจะเห็นจะเห็นมุมคือถ้าอุปจารแสมาธิเนี่ย ก็สามารถข่มทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแปประการถ้าปฐมฌานก็ข่มที่วลารำหาใช่ไทีนี้ถ้าหากว่ากรณีแห่งการยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เดินยกตัวอย่างเช่นอนุสติทั้งหลายมีพุทธานุสติธรรมมาสังคาศีราจาคานี่กลุมอนุสติทั้งหลายเนี่ยจะเดินถึงอุปจารสมาธิัวอุปจารสมาธิคืออะไรก็คือตัว นำ ม, มาทําทั้งหลายคือกลุ่มศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่ประชุมกันอยู่ฉะนั้นการประชุมของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอุปจารสมาธิในขณะที่ระลึกในกรรมฐาน38อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยนะถ้าเราระลึกถึงอนุสติซึ่งจะทําให้ได้อุปจารสมาธิเมื่ออุปจารสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอุปจารสมาธินี่แหละจะจะสามารถข่มทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแปดประการได้ ทำที่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิแปประการก็คือพวกกรมประฉันท่ <c oughs> ก็ด้วยเนคขมมะเขาจะข่มการมประฉันท่าด้วยเนคขมมะสรุปแล้วตอนนั้นเนคขมมะเกิดในกระแสะของนามธรรมแล้ในใจและเป็นกุศลและกุศลจิรุบจกุศลจิรุบา ท, ที่เกิดขึ้นที่เป็นอุจารและสมาธิในขณะนั้นอันนั้นแหละสามารถข่มการมปฉันท่าได้ด้วยด้วยเนคขมมะก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาที่เองประชุมกันในการระลึกถึงคุณของพระทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ แล้วก็จะพยาบาทใช่ไหมก็ด้วยด้วยอโทส า, าก็มีกําลังมากขึ้นก็กลุ่มเมตตากลุ่มอโทสาก็เกิดขึ้นก็สามารถข่มพยาบาทเป็นต้นได้ทีนามิทะคําคว่าอโลกสัญญาเนะ่ยข่มทีนามิทะด้วยอโลกสัญญาในในขณะนั้นจิตก็เข้าถึงภาวะที่ผ่องใสเพราะมีคุณของพทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านั้นเนะี่ยด้ความผ่องใสด้วยความ ปลาโมดด้วยความปีติด้วยความสุขสมนัต ส, สมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วตอนนั้นประการต่อมาคือว่าวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมแต่ก่อนก็จะลังเลในคุณของพระราตนตรัยใช่ไหมไม่แน่นอนใจแล้วหมุนไปรอบด้านแต่ตอนนี้ด้วยการตัดวิจิกิจฉาได้ด้วยการมากําหนดแน่นอนในในใ น, ในทางนี้ในทางนี้ที่จะเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละก็กำหนดแน่นอนลงไปในธรรมแล้วก็ คอมวิชาด้วยยานนะตอนนั้นก็คือปัญญาก็มาทํากิจในการเห็นคุณรู้คุณคอมกุศลธรรม ท, ทั้งหลายด้วยกุศลธรรมตอนนั้นก็คือรู้ชัดกุศลเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหะธรรมะที่เป็นปฏิปักษต่อต่อสมาธิทั้งหลายเนี่นะธรรมที่เป็นปฏิปัติต่อสมาธิทั้งหลายก็ถูกข่มได้ด้วยอํานาจของอุปจารสมาธิฉะนั้นตัวอุปจารสมาธินี่แหละเป็นฐานเดินเดินวิปัสสนาญาณต่อก็ได้แต่บางกลุ่มท่านไม่เดินแค่นี้ ท่านรู้ว่าเออพุทธคุณเนี่ยได้แค่นี้แต่ท่านเข้าไปหลักกรรมฐานนี่จะเป็นหลักต่อการจะได้ปฐมฌานแล้วบางท่านก็อยู่ในกลุ่มของอในด้านของอสุภะเนี่ยท่านก็เข้ากลุ่มอสุภะกรรมฐานหรือหรือบางท่านก็อาจจะกลุ่มเกี่ยวในเรื่องของเมตตากลุ่มก็อะไรก็แล้วแต่นี่นะท่านก็เข้าไปน้นด้วยอันนี้แสดงให้เห็นชัดในชั้นอัตถกถาท่านก็ลองรับไว้ด้วยว่ามื่ท่านไม่อยู่กรรมฐานเดียวนะยกตัวอย่างเช่นเจริญพุทธคุณเนี่ย Ä, ท่านก็ยังเมื่อเจริญพุทธคุณจนเกิดปราโมดปีติจนสมาธิตั้งมั่นนิวรธธรรมถูกขจัดไประดับหนึ่งทำที่เป็นปฏิบักษต่อสมาธิถูกขจัดแล้วเนี่ยท่านกลับไปอยู่ไปอยู่กรรมฐานเดิมที่เคยทำว่างั้นท่านไปมนสิการกรรมฐานเดิมที่ท่านอาจจะตกหล่นไปเนี่ยนะ Word, กรรมฐานเดิมบางกลุ่มก็นุ่นกสินสิบบางท่านก็ปฐวีกสินอาโปกสินเตโชวายโยนิลักสินอะไรก็ว่าไปตามลําดับตามที่ท่านชานาญก็กรรมฐานหลักที่ท่านเดินไว้อยู่เนี่ย หรืกรรมฐานที่ท่านบริหารเนี่ยเป็นปริหาริกะกรรมฐานกรรมฐานที่ท่านบริหารเป็นเนืองนิดแต่สพัตกากรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่คอยประคองใจของท่านท่านได้เห็นคนของพระบรมศาสดาเนี่ยคือเป็นจุดหลังจากว่าออกจากกรรมฐานนั้นท่านก็จะต้องมีพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นเหล่านี้เป็นฐานรองรับใจของท่านตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกับการว่าก็เหมือนชีวิตประจําวันเราเนี่ยยอมใช่ไหมกรณีที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ใช้ ใช้ยาบทใช้ภาชนะแบบนี้ออกจากบ้านก็ไปใช่อีกอย่างหนึง่งลงน้ําไปใช่อีกอย่างขึ้นบกอีกอย่างหรือว่าไปทางอากาศก็ใช้เครื่องบินใช้อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกัน ส, สภาพกรรมฐานสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กรรมฐานเดียวแน่นอนซึ่งก็มีที่รองรับกันเยอะแยะตรงนี้นี่แหละท่านก็บริหารแต่ว่าก็มีจุดที่ท่านชํานาญอยู่อันนี้สําหรับคนที่คน ท, คนที่คนที่เขาบริหารประจําของท่านท่านท่านดูแลของท่าน ก็ไปเดินเดินให้ได้ปฐมฌานพราอปฐมฌานนี่ข่มนิวรณ์ได้แข็งแกร่งกว่าอุปจารลสมาธินี่ท่านก็เอาปฐมฌานเป็นฐานแก่การเดินวิปัสสนาญาณก็เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉ ท, ทาญาณปัจจะปริกาหายญาณเป็นต้นนะก็เริ่มเห็นแยกรูปนามรูปขระคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนชัด พอชัดเบเสร็จก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของนามเป็นต้นเหล่านี้นะเหตุโกิดแล้วก็ในสุดก็เหตุดับเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ไปตามลําดับอวิชาเกิดตัณหาเกิดอาวิชาเกิดรูปประคันเกิดตัณหาเกิดรูปประคันเกิดกรรมเกิดรูปอุปทาเกิดรูปประคันเกิดแล้วก็ว่าไปตามลำดับตลอดถึงว่ากัปปลิงก้าหารเกิดรูปประคันก็เกิดถึงในยะการดับก็ว่ากันไปตามลําดับดังที่เด็กล อันนี้ก็เหตุปัจจัยของนารู้เนะีโดยย่อถ้าโดยขยายก็ไว้ว่ากันีด้ยางแต่อันนั้นก็คือต้องไปมุมนี้แหละทีนี้ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าได้สมมุติว่าเดินอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะอย่างเราเราท่านทั้งหลายใช่ไหมพอไปได้ประเภทข่มนิว่าเราทำได้แล้วแต่เป็นคนไม่มีฐานสมมุติไม่มีฐานของของคำสอนได้ลึกซึ้งอะไรเลยต้องมาเรียนใหม่นะ ต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ไปเรียนนะไม่ใช่โอ้เนี่ยเราได้ฐานสมาธิดีแล้วเนี่กอาวอีกแล้วนี่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไม่สามารถจะไปแยกลักษณะจิตอาการปรากฏแล้วก็เหตุไกลเหตุใกล้ของนามธรรมารูปมะธรรมเหล่านั้นได้ก็ก็ไม่เข้าใจฉะนั้นในชั้นคําสอนก็ต้องหาครูและที่ชํานาญและหรือหาคําสอนในของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกกับตถาคีกาแล้วมาสรุปประเด็นตรงนี้เราก็ต้องหากระยาณมิตรเข้าไว้ที่จะค่อยช่วยขัดเกา ต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้เราเข้าใจมุมในการที่จะเข้าใจเจาะลักษณะของสภาวธรรมไอ้ตรงนี้เป็นรายละเอียดมากกว่ามากกว่าฌานนะมากกว่าอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธินะรายละเอียดที่จะต้องเดินจะต้องจะต้องวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเป้าหมายกระเพือมเพื่อไปวิจัยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยทีนี้อันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะและนัตตลักษณะเนี่ยเมื่อปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะ จะยิ่งล่าเลิ่มงั้นการจเจริญกรรมฐานเนี่ยจะไม่ใช่เงางาะหงอยไม่ใช่เศ้าซ้อยเลยนะเป็นการยิ่งเห็นสิ่งที่ตนเองตนเองหามานานฉะนั้นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาในเวลาปรากฏกับประโยคขาวจดทั้งหลายเหล่านี้ท่านตื่นเต้นทั้งนั้นเวลาเห็นนะเพราะสิ่งต่างๆเห็นแล้วถ้าเป็นปัจจัยเกิดมหากรุสุลตัวมหากุศลที่เกิดขึ้นละจึงเกิดบางค่าวก็ติติ จะให้บังคาวก็ปลามมดเมื่อได้เห็นความจริงของชีวิตได้เห็นความจริงของชีวิตได้เห็นความแตกดับไปของเหตุปัจจัยแล้วก็ตัวนามรูปทั้งหลายที่มันมันผุพังไปเป็นธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้พอปรากฏกับตนเองได้สักครั้งชื่นใจนี่นะชื่นใจว่าเออสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นสิ่งที่หามายาวไกลแล้วเนี่ยในคําสอนของพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่สุดจริงๆก็จะนั่นแหละอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาก็จะละอะไร อนนีจานุปัสสนากระนิจจสัญญาไอความจําหมายว่าเที่ยงข้งหลายเลยเนะก็จะถูกละลายไปได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งยังการเห็นที่เป็นต่ทางขประหารนี่แหละจะถูกละจะถูกทําลายไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะไอความจําหมายว่าเที่ยงของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัตรมันมากจึงต้องการทำทำทำแต่ทางขปะหารให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ให้แข็งแรงใช่ไหมมันจะทกขานุปัสสนาเหมือนกัน ไอ้ความเข้าไปเห็นด้วยความเป็นทุกข์ในในสังกตธรรมทั้งหลายนี่เหมือนกันที่เป็นไปในภูมิสาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏที่ผ่านมาเข้าใจมันเป็นสุขใช่ไหมสัญญาทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกทําลายมาใช่ไหมแต่ทางก็ประหารตรงนี้ต้องให้เกิดบ่อยๆวิปัสสนาญาณตรงนี้ต้องเกิดบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยเฉพาะอนัตตานุปัสสนาเนี่ ย, ยาาปรากฏยากมากเป้าหมายคือตัวเนี้ยตัวอนัตตานุปัสสนานี่ปัญญาที่จะไปเจาะทะลุทะล ว, วงเห็นความจริงประดุดงดังดวงประทีป ทีไปเห็นความจริงโดยความเป็นอนัตตางจริงเพราะความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถอนได้ยากมากยี่ไหมอัตตทิฐีของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกกระชาติเพราะปัญญาไม่เกิดจริงไอ้ตรงนี้จะถูกถอนในชั้นของกรรมสกตาสัมมาทิฐิเนี่ยก็เกิดระดับหนึ่งแล้วคือความเข้าใจว่าว่าธรรมะเท่านั้นเป็นไปอยู่ แต่พอในถึงชั้นของวิปัสสนาญาณตรงนี้จะถูกทำลายแล้วทำลายเล่าทำลายแล้วทำลายเล่านะไอตัวตัววิปัสสนาญาณจะไปทำลายอัตถิทิฏิไอความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยทำลายแต่ละครั้งก็ก็หายไปครั้งหนึ่งนะเข้านะเข้าก็ต้องทำลายบ่อยๆทำลายบ่อยๆทำลายบ่อยๆจนแข็งแกร่งในส่วนจริงๆจนจะทำลายเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่สมุทเฉทปัะหาเป็นต้นเดียี่เป้าหมายก็เป็นอย่างนี้ในกรณีการเจริญวัฏฏาญาณ พอจะมองเห็นไหมยากเลยคือคือเป็นเรื่องของการทําให้มากทําให้มากทําให้ต่อเนื่องวิจัยบ่อยๆเป็นเรื่องแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเออเกิดครั้งเดียวแล้วมานั่งยิ้มชื่นใจไม่ใช่เลยไอ้ที่การไอ้ตะทางก็ปัญหาเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นี่ยแหละเกิดซ้ำซากอ่ะ ต้องมาราศการเกิดซ้างเพราะว่าความยึดติดของสัตว์ทั้งหลายนิ้หัวยาวไกลามาก